เทศนาสองเทศนาสองคือหนึ่งอุกลาทิฏฐานามีบุคคลเป็นที่ตั้งคือแสดงธรรมโดยมีบุคคลเป็นที่ตั้งสองธรร ม, มาทิฏฐานาแสดงธรรมโดยมีธรรมเป็นที่ตั้งฉะนั้นก็อยากให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เข้าใจคําว่าเทศนาเสียก่อนคําว่าเทศนาแปลว่าการแสดง หมายเอาการชี้แจงแนะนําคําสั่งสอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ขยายเนื้อความที่ได้แสดงอุเทศโดยย่อยพิสดารเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อความได้ชัดเจนในที่นี้ท่านหมายเอาการแสดงธรรมจําแนกออกเป็นสองประเภทคือหนึ่งปุกลาธิฏฐานคือยกบุคคลขึ้นเป็นที่ตั้งข้อนี้หมายเอาการแสดงโดยสมมติ ยกบุคคลขึ้นเป็นตัวอย่างเช่นแสดงว่าบุคคลผู้มีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นอย่างนั้นหรืออาจจะยกเรื่องชาดกต่างๆที่มีความประสงค์จะแสดงธรรมะสอนคนแต่ว่ายกบุคคลขึ้นแสดงก็เพื่อให้ได้เข้าใจได้ง่ายเหมาะสำหรับบุคคลผู้มีอุปนิสัยยังอ่อนเทศนาอย่างนี้ เป็นเทสนาในพระสูตรหาใช่ทางพระอภิธรรมไม่เพราะพระสูตรเป็นธรรมชั้นต่ำน้อมนาเข้าไปในความปฏิบัติของบุคคลได้ส่วนพระธรรมที่เป็นธรรมชั้นสูงกล่าวถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานไม่เกี่ยวกับสัตว์บุคคลจึงน้อมนำเข้าไปในความปฏิบัติไม่ได้ฉะนั้นเมื่อพูดถึงปุกลาธิฐานก็คือว่า เป็นการแสดงยกเรื่องราวเป็นเล่าเป็นนิทานสมมติว่าจะยกเรื่องสุวรรณสามก็จะชี้ให้คนเห็นว่าคนที่มีความกระตันอยู่นั้นหรือว่าคนที่มีความเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ย่อมจะได้รับอนิสงส์อย่างไรหรือว่าคนที่มีความเมตตาย่อมจะได้รับอนิสงส์อย่างไร อ, อย่างนี้แหละเรียกว่าแสดงโดยปุคลาธิฐาน หรืออาจจะยกเอาเรื่องพระโพธิสัตว์สวยประชาติดเป็นนกกาก็าดีนกแร้งก็ดีแล้วก็แสดงความกระตัอยูก็ตะเวทีต่อบิดามารดาอย่างนี้ก็ได้ช่อว่าเป็นการแสดงโดยปุกลาธิฐานหรือว่าเราจะยกตัวอย่างอะไรก็แล้วแต่อันนี้เรียกว่าที่เราได้ยกตัวอย่างมาเป็นเรื่องเป็นราว ถือว่าเป็นปุกลาธิฐานทางนั้นนะเป็นปุกลาทิฐานทางนั้นเลยฉะนั้นก็ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาวตุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายได้โปรดเข้าใจไว้เลยว่าการแสดงเป็นปุกลาธิฐานนั้นฮนะเพื่อเหมาะกับบุคคลผู้ที่ยังยังอ่อนต่อธรรมะนะยังไม่ได้ศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งและเพื่อเป็นการดึงจิตใจให้น้อมเข้าไปหาธรรมะ น้อมเข้าไปในการปฏิบัติธรรมะให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นฉะนั้นการแสดงปุคลาธิฐานจึงเหมาะสำหรับบุคคลผู้ที่ยังเข้าถึงพระพุทธศาสนาใหม่ๆหรือว่ายังอ่อนต่อการฟังเทศฟังธรรมยังอ่อนต่อการปฏิบัติธรรมอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าปุคลาธิฐานนาอีกอย่างหนึ่งเรียกว่า ธรรมมาทิฐานาคำว่าธรรมมาทิฐานนั้นคือยกธรรมขึ้นเป็นที่ตั้งข้อนี้หมายเอาการแสดงธรรมล้วนจึงยกธรรมขึ้นชี้แจงแสดงถึงศ ร, รัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาโดยลักษณะประเภทและอนิสงส์เป็นเช่นนั้นนั้นที่มีความประสงค์จะแสดงธรรมสอนคนยก ทำขึ้นแสดงขึ้นเพื่อให้เหมาะแก่ผู้ให้เหมาะแก่อุปนิสัยอแก่บุคคลอเพื่อเป็นการสร้างนิสัยให้แก่กล้าสามารถเข้าใจทําได้ง่ายเทศนาเช่นนี้เรียกเทศนาเช่นนี้เป็นเทศนาในพระธรรมแต่มีได้ในพระสูตรนะแต่มีได้ในพระสูตรคืออาจจะพูดเป็นธรรมล้วนๆเช่นอาจจะพูดบอกว่าศรัท ธ, ธานียยกตัวอย่างมาว่าศรัท ธ, ธา ศรัทธาแปลว่าความเชื่อศรัทธาแปลว่าความเชื่อคำว่าความเชื่อนี้ก็แบ่งออกเป็นสี่ประการาเช่นกรรมศรัทธาเชื่อกรรมก็คือเชื่อการกระทําว่ า, าคนเราทุกคนที่เกิดมาจะดีหรือชั่วนั้นอยู่ที่การกระทํากรรมวิปากศรัทธาเชื่อผลของกรรมเชื่อว่า ทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วกรร ม, มสกตาศรัทธาเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนทำกรรมอย่างไรไว้ก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นเพราะาทุกคนนั้นมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พวกพ้อง และตะถาคตโพธิสัตธาเชื่อพระปีชายานของพระตถาคตว่าพระองค์ได้ตรัสรู้จริงเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ยอดเยี่ยมในโลกจริงๆอย่างนี้แหละเรียกว่าแสดงเป็นธรรมมาทิฐานนะแสดงเป็นธรรมมาทิฐานหรืออาจจะพูดอกว่าวิริยะคือความเพียนะเ้ยนในคำว่าความเพียนนี่ก็คือความแ้วกล้า นะความแก้วกล้าในการที่จะสร้างคุณงามความดีนะในการที่จะสร้างคุณงามความดีฉะนั้นความเพียรอันนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าเป็นทางพ้นทุกข์ได้ดังพุทธภาษิตว่าวิริเยนะทุกขมัตเจติบุคคลจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรนะบุคคลจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรหรือว่าคนจะร่ำรวย มีทรัพย์สินเงินทองได้ก็เพราะความขยันอุทาตาวินเตยธนังคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้คนขยันย่อมหาทรัพย์ได้อย่างนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นการแสดงโดยธรรมมาทิฐานเป็นการแสดงธรร ม, มาทิฐานทีนี้ถ้าหากว่าจะมีคำถามว่าในเทศนาสองเทียบกับปิฎกได้หรือไม่ ถ้ไม่ได้ก็แล้วไปนะถ้าได้ก็ลองเทียบมาดูอันนี้เราตอบได้เลยว่าได้อุกกาลาธิฐานเทียบกับพระสุตตันตวิฎกธรรมมาทิฐานก็เทียบได้กับพระอภิธรรมปิกดกนะในเทศนาสองนะในเทศนาสองท่านจัดไว้เป็นกี่ประเภทอนะืท่านจัดไว้เป็นกี่ประเภทอจงแสดงมาดูก็บอกไว้เลยว่าในเทศนาสองนั้น อท่านก็จัดไว้เป็นสองประเภทนะก็คือปุกลาทิฏฐานแสดงโดยมีบุคคลเป็นที่ตั้งหมายเอาการแสดงโดยสมมุติอยกบุคคลเป็นตัวอย่างบุคคลนั้นมีศรัทธาบุคคลนั้นมีความเพียรบุคคลนี้มีสติบุคคลนั่นมีสมาธิบุคคลนั้นมีปัญญาแล้วก็คนมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญามีผลดีอย่างไรนะ มีผลดีต่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างไรได้รับไอสูงอย่างไรอย่างนี้เรียกว่าแสดงโดยปุคลาพิธฐานส่วนธรรมาพิธฐานนั้นก็คือมีธรรมเป็นที่ตั้งหมายเอาการแสดงธรรมล้วนยกธรรมขึ้นชี้แจงนอย่างนี้เป็นธรรมาพิธฐานสำหรับผู้ที่แสดงธรรมควรเลือกเทศนาอย่างอย่างไหนขึ้นแสดงแก่บุคคลผู้มีเมตสัยอย่างไรถ้ามีคําถามอย่างนี้นักเรียนนักศึกษาก็ตอบได้เลยว่า บุคคลผู้มีอุปนิสัยยังอ่อนคือผู้แสดงธรรมควรเทศนาให้ฟังด้วยการเปรียบเทียบคือยกอุทาหรณ์หรือตัวอย่างให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายซึ่งได้แก่บุคลาธิฐานส่วนบุคคลผู้มีอุปนิสัยแก่กล้าผู้แสดงธรรมผู้ผู้แสดงธรรมควรเทศนาให้ฟังด้วยการยก ข้อทำขึ้นแสดงทีเดียวเพราะผู้ฟังเคยชินหรือชำนาญแล้วเพียงจะยกข้อทำขึ้นแสดงก็เข้าใจเนื้อความได้ง่ายนะอย่างนี้แหละเรียกว่ า, เ, าเรียกว่าธรรมมาธิฐานฉะนั้นที่พูดเรื่องเทศนาสองนี้ก็พูดเป็นแนวทางย่อๆนะพูดเป็นแนวทางย่อๆก็คิดว่านักเรียนนักศึกษาก็พอจะจับสำเนาเขาความได้ฉะนั้นก็จะต่อไป ในหัวข้อว่าทำสองประการนะทำสองประกา ร, า ร, การคาว่าทำสองประการนี้ก็ได้แก่หนึ่งรูปประธรรมสภาวะที่เป็นรูปสองอรูปประธรรมสภาวะไม่ใช่รูปคำว่าทำแปลว่าสภาพที่ทรงสัตว์ไว้ไม่ให้ตกไปในที่ชั่วคือทำย่อมนำสัตว์ให้ถึงสุคติ และทำย่อมอุดหนุนผู้ปฏิบัติไม่ให้หมุนไปสู่ที่ชั่วมีแต่จะนำมาซึ่งความสุขความสําราญแก่ผู้ปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งหมายถึงสิ่งที่เป็นไปตามธรรมดาของโลกท่านจำแนกไว้เป็นสองประเภทฉะนั้นก่อนที่จะเข้า เ, าเรื่องทำสองประการนั้นก็อยากจะพูดให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจความหมายของคาว่า ทำให้ลึกซึ้งไปกว่านี้อีกคือคำว่าธรรมะนี้นอกจากจะแปลว่าสภาพที่ทรงที่ทรงสัตว์ไว้ไม่ตกไปในที่ชั่วก็คือนําสัตว์ไปสู่สุขติอันนี้หมายความว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะผู้ที่ปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกไปสู่ที่ชั่วย่อมไม่ไปทุคติ <c oughs> เพราะอะไร เพราะธรรมะนั no ้นก็คือธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมะก็คือกฎของธรรมชาติธรรมะคือข้อปฏิบัติเราจะรู้ว่าเป็นธรรมะนั้นเราจะต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติธรรมะก็เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเราไม่ได้เพราะธรรมะนั้นมันมีอยู่ทุกขนทุกแห่งธรรมะนี่เกิดขึ้นก่อนพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นก็าตามธรรมะนั้นมีอยู่คู่โลกนะมีอยู่คู่โลกแล้วอันนี้เคยถามนักเรียนนักศึกษาว่าพระพุทธพระธรรมพระสงค์นี้ใครเกิดก่อนโดยมากนักเรียนก็มักจะพูดว่าพระพุทธก็ยังมีบางคนบอกว่าพระสงฆ์แต่ที่จะตอบว่าพระธรรมนั้นเห็นถ้าดูรู้สึกว่าน้อยเหลือเกิน นน้อยมากแต่จริงๆแล้วก็คือพระธรรมเกิดก่อนพระธรรมนั้นมีคู่โลกเป็นธรรมชาติมีอยู่คู่โลกแต่พระพุทธองค์ท่านเป็นผู้ค้นพบนะเป็นผู้ค้นพบนํามาบอกว่าอย่างนี้เป็นกุศลธรรมอย่างนี้เป็นอกุศลธรรมอย่างนี้เป็นอัพยกตธรรมคือกลางๆลาเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าในอากาศ คือไฟฟ้ามันมีอยู่แล้วนะมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่ไม่มีใครรู้ใครทราบนักวิทยาศาสตร์ก็เลยไปค้นพบเช่นไมเคิลฟาราเดย์อ่าหรือเบนจามินแฟรงก์เป็นเนี่ยที่ปล่อยว่าวคนไปในอากาศนะในท้องฟ้าอ่านะแล้วอีกหลายๆคนนะที่เกี่ยวกับเรื่องการค้นพบอ่านกะระแสไฟฟ้าต่างๆอืมฉะนั้นก็ให้นักเรียนได้เข้าใจไปเลยว่าพระธรรมนั้นมีอยู่แล้วนะมีอยู่คู่กับโลก นะมีอยู่คู่กับโลกเฉะนั้น เ, เราทุกคนนั้นควรจะเอาธรรมะเข้ามาไว้ในจิตใจคนที่มีธรรมะก็เท่ากับว่าเป็นการยกระดับจิตใจของตนให้สูงขึ้นนะให้สูงขึ้นแต่ถ้าคนที่มีจิตใจปราศจากธรรมะก็คือคนที่มีจิตใจตสัมซามก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานซึ่งมันไร้ธรรมะนะไร้ธรรมะจึง ทำอะไรจึงไม่มีเหตุไม่มีผลนะไม่มีเหตุไม่มีผลจึงต้องมีการแข่งแย่งกันนะมีการเอารัดเอาเปรียบกันทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นในฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ผู้หญิงผู้ชายก็ควรจะเอาธรรมะเข้ามาไว้ในใจนะเมื่อเราปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็จะไม่ไปสู่ทุคติ คือไม่ไปสู่อบายภูมิไม่ไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ไปัเกิดเป็นสัตว์นรกนี่อย่างน้อยๆเราถ้าปฏิบัติตามธรรมแล้วก็จะบังเกิดมาเป็นมนุษย์ผู้หญิงผู้ชายอเป็นมนุษย์ผู้หญิงผู้ชายแล้วก็จะมีแตกต่างกันไปอีกบางคนเกิดมาแล้วก็ได้สวยของทิพย์ก็คือมีของกินของใช้สมบูรณ์จะทําอะไรมันก็ออกดอกออกผลเต็มเม็ดเต็ ม, ตมหน่วย บางคนก็มีลาบมียศมีตําแหน่งสูง แ, แม้ที่สุดก็คือเป็นพระราชามหากษัตริย์อันนี้ก็ถือว่ามีธรรมปฏิบัติธรรมประนีตละเอียดสุขุมยิ่งขึ้นนะยิ่งขึ้นแต่ว่าบางคนก็ลําบากเหลือเกินแม้ว่าเป็นมนุษย์ผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ลําบากลําบนมากนะลําบากลําบนมากเดือดร้อนมากเนะี่ยอันนี้ก็มันขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมนะขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมฉะนั้นก็ ขอให้เราทุกคนนั้นจงนึกไว้เสมอว่าธรรมะนั่นแหละเป็นสิ่งจำเป็นกับชีวิตชีวิตที่ขาดธรรมะเป็นชีวิตที่รุ่มๆุ่ดอนดอนมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนชีวิตที่ประกอบไปด้วยธรรมะเป็นชีวิตที่อุดมสมบูรณเป็นชีวิตที่ราบรื่นเป็นชีวิตที่ราบรื่นฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงปฏิบัติตามธรรม คือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วจะประสบแต่ความสุขความสวัสดีฉะนั้นธรรมะนี้ก็ยังจาแนกออกไปอีกเป็นสองประเภทก็คือหนึ่งรู ป, ปรธรรมคือสภาวะที่เป็นรูปสภาวะที่เป็นรูปก็ได้แก่สิ่งที่เป็นวิสัยแห่งอายตนะภายในห้ า, นะาภายในห้าคือสภาพอันปัจจัยประชุม แต่งขึ้นเป็นรูปเป็นตัวตนอ่าเป็นเราเป็นเขาเป็นรูปกระขันเป็นกองแห่งรูปอันประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่นะอย่างนี้เรียกว่ารูปธรรมคือถ้าจะพูดให้ง่ายๆก็คือว่าเป็นสิ่งที่เรามองเห็นจับต้องได้นะรูปธรรมนี่เรามองเห็นด้วยตาแล้วก็จับต้องได้รูปคลำได้อันนี้เป็นรูปธรรมแต่ก็มีรูปละเอียดอีกนะเป็นสุขุมมาล นะเป็นสุขุมารูปนะรูปละเอียดที่ไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาได้นะไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาได้เพียงพวกอากาศอย่างเนี้นะเนี่ยยังไม่สามารถจะมองเห็นได้แต่เอาละอันนี้ยกไว้ก่อนจะไม่พูดท น, นี้จะพูดไอ้สิ่งที่มันเห็นชัดก่อนที่รอบๆตัวเราเนี่ยนะตั้งแต่โต๊ะเก้าอี้โรงเรียนตึกรามบ้านช่องนะไม้บรรทัดยังลบตินสอสมุดนี่อันนี้ถือว่าเป็นรูปธรรมทั้งนั้น นอันนี้ถือว่าเป็นอยู่ในรูปทางนั้นเลยนะเพราะว่าไอสภาวะที่เป็นรูปนี้คือหมายถึงว่าที่ตาเราเห็นได้นะที่ตาเราเห็นได้นที่ได้เห็นที่ได้ยินที่ได้ฟังคืออย่างนี้แหละคือเรียกว่าปัจจัยปรุงแต่งคือประชุมกันขึ้นเป็นรูปเป็นตัวเป็นตนนอสมมติว่านั่นเป็นสัตว์นะนั่นเป็นสัตว์เป็นช้างเป็นม้าเป็นวัวเป็นควายนั่นเป็นผู้หญิงผู้ชาย นั่นเป็นคนไทยนั่นเป็นคนจีนนั่นเป็นคนฝรัง่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นรูปธรรม ท, ทางนั้ น, นเป็นรูปธปรรม ท, ทางนั้นเลยเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แน่นอนที่สุดเราก็จะทําให้เรานั้นได้ศึกษาพระธรรมเข้าใจาดียิ่งขึ้นแต่ว่ารูปธรรม ท, ที่ได้กล่าวมา น, นี้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนไม่จีรังยั่งยืนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เพราะสิ่งเหล่านี้ก็ประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมนะดินน้ำไฟลมมันก็ไม่จีรังยั่งยืนนะไม่จีรังยั่งยืนฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ก็จะทำให้เรานั้นเข้าใจธรรมะดียิ่งขึ้นและการที่สองก็คื อ, อารู ป, ปรธรรมสภาวะไม่ใช่รูปก็ได้แก่สิ่งที่ไม่อาจเห็นได้ด้วยตาหมายเอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ซึ่งเรียกว่านามธรรมคืออันน้อมนึกไปในอารมณ์ต่างๆไม่มีในตัวตนเกิดขึ้นกับจิตใจและไม่เป็นวิสัยที่ตาจะมองเห็นได้นะไม่เป็นวิสัยที่ตาจะมองเห็นได้อย่างนี้เละเรียกว่าอารูปธรรมแหรือว่าถ้าเราจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอารูปธรรมสภาวะไม่ใช่รูปนในสภาวะไม่ใช่รูปก็ ขันห้าก็ยกเว้นรูปนะขันห้ามันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยกเว้นรูปอเวทนาคือการเสวยอารมณ์สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นเฉยๆ ก, กลางๆอันนี่ก็จัดเป็นอรูปธรรมสัญญาคือความจําได้หมารู้จำรูปจําเสียงจำเปลี่ยนจํารดอันนี้ก็เป็นอรูปธรรมสังขารคือการคือเจอตสิกที่ปรุงแต่ง จ, จิตใจ ให้เกิดความชอบความชังขึ้นอันนี้ก็เป็นอรูปธรรมอวิญญาณคือความรู้สึกหรือความรู้แจ้งรู้สึกทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้แหละเป็นอรูปธรรมทั้งหมดนี้ก็ตกอยู่ในความไม่จีรังยั่งยืนไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แน่นอนที่สุดก็จะทาให้เราั้นเข้าใจธรรมะได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเราเข้าใจธรรมะได้ดียิ่งขึ้นก็ทำให้การเรียนการศึกษาของเร า, เาน้อมนำไปประพฤติธปฏิบัติก่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างยิ่งทีนี้ถ้าจะมีคำถามว่ า, าธรรมะกับวินัยต่างกันอย่างไรเมื่อประพฤติธปฏิบัติตามแล้วย่อมจะได้รับอนิสองค์อย่างไรอันนี้เราก็ตอบได้เลยว่าธรรมะก็คือข้อปฏิบัติไม่เนื่องด้วยระเบียบ ที่ทรงตั้งไว้ด้วยพุท ธ, ธานาคือหมายถึงว่าไม่เป็นกฎบังคับนะไม่เป็นกฎบังคับอ่าคือพระธรรมนี่ผู้จะปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้นะไม่มีความผิดอะไรนะไม่มีความผิดอะไรคนไหนปฏิบัติคนนั้นก็ได้ดีอ่าคนไหนไม่ปฏิบัติคนนั้นก็ไม่ได้ดีนี่เป็นอย่างนี้เรียกว่าไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็ไม่มีโทษตามพุทธบัญญัติ แต่เป็นทางนําความประพฤติคือเป็นการสร้างอัธยาศัยให้ประนีตขึ้นสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัตนะิเพราะผู้ประพฤติปฏิบัติทมเช่นเป็นต้นว่ามีสติจะทำอะไรก็ไม่ผิดพลาดไม่ประมาทไม่มัวเมานะหรือว่าเป็นผู้มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาก็คือมีอิทธิบาท4 คนที่มีธิบาทสี่จะประกอบกิจาการใดก็สําเร็จสมประสงค์ทุกสิ่งทุกอย่างหรือเป็นคนมีพรหมวิหารเมตตากรุณามุ้ติตาอุเบกขาแน่นอนที่สุดเป็นธรรมเป็นคุณธรรมของผู้ใหญ่เมื่อผู้ใดมีธรรมอย่างนี้ผู้นั้นก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญนะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญอย่างนี้เป็นส่วนธรรมส่วนวินัยก็คือข้อปฏิบัติเนื่องด้วยระเบียบ พระพุทธองค์ได้วางไว้เป็นพุทธานาเป็นพุทธานาคือหมายความว่ามีกฎระเบียบข้อบังคับอไม่ประพฤติปฏิบัติตามมีโทษตามสิกขาบทนั้นๆอปฏิบัติอไม่ปฏิบัติก็จะมีโทษตามที่ทรงได้ตั้งบัญญัติไว้อเป็นทางนําความประพฤติให้สม่ําเสมอกันเป็นเครื่องบริหารหมูคนะ่คณะคือหมายความว่า อ่าวินัยนี้เป็นเป็นระเบียบแบบแผนนะบางอย่างไม่ทําตามก็ผิดอผิดระเบียบวินัยตามสิกขาบทและทําตามก็ผิดระเบียบวินัยตามสิกขาบทฉะนั้นวินัยนี้พระพุทธองค์จึงถือว่าเป็นรากแก้วนะเป็นรากเป็นต้นไม้ก็เปรียบเหมือนรากแก้วเป็นรากแก้วในทางพระพุทธศาสนาต้นไม้ถ้าขาดรากแก้วอย่างลงดินลึกแล้ว เมื่อถูกลมพัดเข้าก็โค่นง่ายหักง่ายนะพระพุทธศาสนาเหมือนกันถ้าไม่มีพระวินัยแล้วแน่นอนที่สุดพระพุทธศาสนานั้นก็จะดำรงอยู่ไม่ได้นะดำรงอยู่ไม่ได้อนะฉะนั้นศาสนาจะดำรงอยู่ได้นั้นจะต้องมีรากแก้วที่มั่นคงอรากแก้วที่มั่นคงจะเกิดขึ้นได้ก็คือพุทธบริษัทของเราคือพิสุภิษุณีอุบาสกบาสิกาตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินยัย และปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดให้รู้แจ้งเห็นจริงตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วก็สามารถที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้เป็นอนเนกประการทีนี้อนิสงค์จะมีแก่ผู้ปฏิบัติอย่างไรนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่แต่ละคนคือมันเป็นเรื่องเฉพาะตนมภ า, าบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมก็ย่อมได้รับอนิสง์ก็คือว่าทาให้มีจิตใจประนีตขึ้นโดยลาดับ คนเราเมื่อมีจิตใจประนีก็คือคนมีจิตใจสูงคนที่มีจิตใจสูงก็คือจิตใจที่น้ำท่วมไม่ถึงนะคำว่าน้ำในที่นี้ก็หมายถึงว่าน้ำคือกิเลสตัณหาในะน้ำภายนอกนะขอให้ท่านสังเกตดูถ้ามันท่วมไปในที่ใดแล้วก็ทำให้ที่นั้ น, นเดือดร้อนนะเดือดร้อนต้นมมกรากไม้ก็อาจจะตายชาวสวนก็เดือดร้อนกันมากเศรษฐกิจก็ตกต่าไปหมด แต่ว่าน้ำคือกิเลสตัณหาร้ายยิ่งกว่านั้นอีกหลายร้อยหลายพันเท่าถ้าหากว่าได้ท่วมทับจิตใจของผู้ใดแล้วก็ทำให้ผู้นั้นต้องเดือดร้อนกระวนกระวายอาจจะต้องวิกฤตจิตไปเลยก็ได้หรือถึงกับสิ้นชีวิตเลยก็ได้ฉะนั้นขอให้ท่านจงระวังน้าภายในคือกิเลสตัณหาอย่าให้ท่วมจิตใจของตนเองได้แต่ถ้าหากว่าใครมีจิตใจสูงน้าท่วมไม่ถึงแล้ว แน่นอนที่สุดผู้นั้นก็จะมีแต่ความสุขผู้นั้นก็จะมีแต่ความเจริญและเป็นที่นำมาซึ่งลาบยศสุขสรรเสริญส่วนผู้ที่ประพฤติตามพระธรรมส่วนผู้ที่ประพฤติตามวินยัยย่อมได้รับไอส่งก็คือว่าทำให้หมู่คณะนั้นงดงามเสมอกันด้วยมารยาทเพราะว่าคำว่าวินัยนี้แปลว่านาไปวิเศษนะนำไปวิเศษ คือคนที่มีวินัยก็คือคนที่มีศีล น, นะคนมีวินัยก็คือคนที่มีศีลคนมีศีลก็คือคนมีวินัยนะพูดกลับกันทีนี้คนมีศีลเนี่ยเป็นคนวิเศษยังไงวิเศษศีลก็คือเครื่องรักษากายวาจาให้เรียบร้อยนะป้องกันโทษที่จะเกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางกายก็ไม่มีการฆ่ากัน นะไม่มีการฆ่ากันเอารัดเอาเปรียบกันหรือว่าเป็นการเบียดเบียนกันต้องทําร่างกายให้วิกฤวิการทุกพลภาพอะไรก็แล้วแต่และอันนี้ถือว่าเป็นในทางกายอ่จะเป็นการลักขโมยกันก็ไม่มีชกทิ้งวิ่งดาวตีชกต่อยก็ไม่มีนะหรือว่าไม่ประพฤติผิดประเวณีอ่ทางวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดซอยเสียดไม่พูดทำยาบไม่พูดเพ้อเจอ้ออย่างนี้แหละเรียกว่า คนมีวินัยทีนี้คนที่ปฏิบัติตามวินัยก็คือคนปฏิบัติอตามศีนนั่นเองศีนก็ยังมีเป็นขั้นตอนก็มีศีนห้าศีนห้าเขาเรียกว่านิจจศีนเรียกวันนิจจศีนเป็นศีนที่ทุกคนควรมีอยู่เป็นนิดจแล้วก็ออย่างนี้เรียกว่าศีลเล็กน้อยแล้วก็ศีนแปดหรือศีนสิบอันนี้เรียกว่ามัชชิมาศีนศีนแปดยังนี้อีกอย่างหนึ่งว่าอุโบสถศีน เป็นศีลของอุบาสกอุบาสิกาที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมตามวัดวาอารามต่างๆศีลสิทเป็นศีลของสมณเนรแล้วก็ศีลสูงสุดก็คือเป็นศีลของพระพิกษุเรียกว่ามหาศีลมี227ข้อสมัยก่อนนั้นก็ยังมีพิษุณีภิษุณีนั้นก็จะมีศีลถึง311ข้อนะฉะนั้นการที่เราได้มีวินัยก็เท่ากับว่า เป็นการรวมหมู่คณ ะ, อะของบริษัทให้มีความประพฤติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะพระสงค์องค์เน น, นั้นก็มาจากคนละถิ่นฐานบ้านเรือนคนละภาคคนละจังหวัดภาคเหนือภาคใต้ภา ค, ภาคกลาง อ, อยู่ตะวันตกตะวันออกอคนละพ่อแม่ย่อมจะมีนิสยัยไม่เหมือนกันแต่เมื่อเข้ามาบวชในตระพุทธศาสนาแล้วก็ต้องมีศีลเท่ากัน ต้องประพฤติอยู่ในพระธรรมคำสั่งสอนอันเดียวกันอันนี้แหละทําให้งดงามนะทําให้สวยงามนะทําให้สวยงามเป็นที่น่ากราบไหว้ใครเห็นแล้วก็เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเกิดความเลื่อมใสแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีวินยัยก็จะมีความสับสนอลมานมีแต่การแข่งแย่งกันหลอกลวงการเข็นฆ่ากันประหัตประหารกันอิจฉาเสียกันอันนี้ใครเราจะเกิดศรัทธา เรามาเป็นพระเป็นสมัมมาเนตก็ไม่ต่างอะไรกับคารวา่ศรัทธามันก็ไม่เกิดขึ้นอย่างนี้พระาศาสนาก็ดำรงอยู่ไม่ได้นันฉะนั้นจึงบอกว่าผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมตามวินยัยก็ย่อมจะได้รับอนิสงส์อย่างนี้ทีนี้เมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วก็อยากจะตั้งเป็นปัญหาถามเพื่อให้นักเกรียนนักศึกษาผู้ฟังได้เข้าใจกว้างขวา ง, วางยิ่งขึ้นว่า พระธรรมกับพระศาสนาเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันนะว่าเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันข้อนี้ท่านต้องเข้าใจให้ดีถ้ามุ่งโดยเขาเงื่อนที่ว่าเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต่างกันแต่ในความกว้างแคบกว่ากันอย่างนี้ต่างกันพระธรรมหมายถึงข้อปฏิบัติไม่เกี่ยวกับเรื่องระเบียบวินัยที่ทรงตั้งไว้เป็นพุทธานาหรือว่าเป็นศิกขาบทเป็นอภิสมาจาร เป็นทางนำความประพฤติและอัจฉริยะใสให้ประณีตขึ้นส่วนพระศาสนากินความกว้างหมายเอาทั้งพระธรรมและก็พระวินัยด้วยนะรวมทั้งพระธรรมพระวินัยด้วยทั้งสองอย่างอย่างนี้เราเรียกว่าพระศาสนาหรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึงว่าพระไตรปิฎกก็ได้เพราะพระไตรปิฎกนั้นก็มีวินัยพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมิปิฎก ฉะนั้นนี่แหละคาว่าพระศาสนานี้รวมกินความรวมหมดเลยนะฉะนั้นอันนี้แหละก็ขอฝากไว้ให้นักเรียนนักศึกษาทั้งหลายได้ทราบอพอเป็นแนวทางฉะนั้นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอาธรรมสองประการก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาผู้สนใจในธรรมทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร วันนี้จะพูดในหัวข้อว่าท ร, รสองทำสองคือหนึ่งโลกิยธรรมธรรมอันเป็นวิสัยของโลกสองโลกุตรธรรมธรรมอันพ้นวิสัยของโลกก่อนที่จะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องม ร, รมสองประการก็ให้ท่านมาทำความเข้าใจ กับคำว่าธรรมะเสียก่อนเพราะคราวที่แล้วก็ได้พูดถึงเรื่องธรรมสองมาครางนี้ก็พูดถึงเรื่องธรรมสองคำว่าธรรมในที่นี้ก็ประสงค์เอาสภาพที่ทรงบุคคลไว้ไม่ให้ตกไปในที่ชั่วได้แก่สิ่งที่เป็นกุศลโดยธรรมดาหาใช่สิ่งที่เป็นกุศลอย่างที่บุคคลนับถือกันบางอย่างไม่ อันเป็นสิ่งที่เป็นกุศลโดยธรรมดานั้นใครจะว่าไม่ดีก็หาเป็นไปตามคำเขาว่าไม่ฉะนั้นทาในที่นี้ย่อมรักษาความดีของผู้ที่ได้ประพฤติปฏิบัติไว้เสมอเช่นเมตตาความปรารถนาให้คนเรามีความสุขกรุณาความปรารถนาจะให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์อันนี้ก็จัดเป็นกุศลละธรรม โดยธรรมดาเพราะห้ามความเบียดเบียนกันเป็นการนำความเดือดร้อนให้ทําทำความเดือดร้อนให้สงบให้ทุกคนมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความปรารถนาดีต่อกันสิ่งที่บุคคลนับถือว่าเป็นของดีเป็นบุญเป็นกุศลบางอย่างก็หาเป็นบุญเป็นกุศล เหมือนอที่เขานับถือกันไม่เช่นตั้งแต่ครั้งดึกดำบรรคนเป็นส่วนมากพากันนับถือการฆ่าสัตว์บูชายันเห็นกันว่าได้บำเพ็ญบุญกุศลอย่างหนึ่งแต่จะเป็นตามที่เขานิยมก็หาไม่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามไม่ให้พุทธศาสนิกชนกระทาการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์หรือทรมานสัตว์ เพราะเป็นการกระทำความพิดาดแก่ชีวิตเขาะฉะนั้นทำในที่นี้ท่านประสงค์ว่าทำที่เป็นส่วนกุศลโดยธรรมดานะโดยธรรมดาฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทุกคนจงสนใจการประพฤติปฏิบัติธรรมการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมเมื่อเราศึกษารู้ดีแล้วก็จะทำให้การปฏิบัติของเรานนัดีไปด้วย การเรียนการศึกษาประธรรมวินัยนั้นก็เหมือนกับการเขียนแผนที่นะการเขียนแผนที่แล้วก็ทำจุดต่างๆของจังหวัดต่างๆเส้นทางต่างๆไว้ในแผนที่นั้นตรงไหนไปอย่างไรตรงไหนเป็นเวยน้ยหนองคลองทานตรงไหนมีถนนหนทางตรงไหนเป็นดงเป็นป่าแล้วการปฏิบัติก็เหมือนกับการเดินตามแผนที่ รือถ้าหากว่าไม่มีแผนที่เราก็คงจะเดินผิดทิศทางได้แล้วก็ถึงเป้าหมายช้านะถึงเป้าหมายช้าแต่ถ้ามีแผนที่แล้วก็จะทำให้เรานั้นเดินไปถึงจุดหมายปลายทางตามที่เราวุ่งมาดปรารถนาดได้นะตามที่เรามุ่มนวาดปรารถนาได้ยางเช่นว่าเราจะไปเชียงใหม่เราก็ต้องศึกษาว่าจะไปทางไหนไปทางบกทางน้ำหรือว่าทางอากาศ จะไปโดยรถอะไรรถบกสหรือว่าจะไปด้วยรถแอร์รถทัวร์แล้วก็จะไปขึ้นที่ไหนไปลงที่ไหนลงแล้วไปต่อไปไหนนี่เราจะต้องรู้หรือจะไปเครื่องบินจะไปอย่างไรค่าโดยสารที่ไหนอันนี้นี่แหละเป็นการที่เราต้องต้องเรียนรูน้จะทำให้เรานั้นปฏิบัติไม่ผิดพลาดและก็สะดวกแก่การากำหนดจดจำข้อความ ได้ดียิ่งขึ้นเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนนั้นจงมาประพฤติปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปกับการศึกษาพระธรรมวินัยนะเพราะทั้งสองอย่างนี้มีประโยชน์ด้วยกันนะมีประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นในธรรมทั้งสองอย่างนี้อก็คือหนึ่งโลกิยธรรม โลกิยธรรมก็คือทรรมอันเป็นวิจัยของโลก mm. ข้อนี้หมายเอาทรรมอันเป็นขีดขั้นชั้นต่ำที่ปุถุชนและกัลยาณชนจะพึงปฏิบัติได้และรู้ได้เช่นศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกได้สมาธิความตั้งใจมั่นปัญญาความรอบรู้อันเป็นไปเพียงชั้นของโลก ไม่สูงขึ้นไปกว่าชั้นนี้นะไม่สูงขึ้นไปโ ล, โลกิยธรรมนี้มีลักษณะก็คือว่ามีเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็ปรวนแปรในท่ามกลางแล้วก็แตกสลายในที่สุดนะแตกสลายในที่สุดพูดให้สั้นก็คือว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้แหละจัดว่า เป็นโลกิยธรรมโลกิยธรรมนี้ถ้าเราจะพูดให้ง่ายๆอีกก็คือว่าเป็นธรรมสำหรับอของคนทั่วๆไปของคนทั่วๆไปอะไรก็แล้วแต่ที่เราประกอบอกิจการงานน้อยใหญ่ที่ในทุกวันนี้ที่เราหากินกัน เลี้ยงดำรงชีวิตทุกวันเนี่ยนี่แหละยังเป็นปัญญาชั้นโลกิีธรรมนะชั้นโลกีธรรมคนตัดผมนี่ก็ถือว่ามีปัญญาอย่างโลกีธรรมนะแต่ถ้ามาพูดความหมายแล้วว่าอาชีพตัดผมนี่ถือว่าเป็นอาชีพสูงนะทาไมจึงว่าเป็นอาชีพสูงเพราะว่าหากินบนหัวคนบนศีรษะคนนี่ถือว่าสูงมากแล้วก็มีเกียรติด้วยไอธรรมดาหัวคนเนี่ย าท่านผู้ฟังทั้งหลายมันเป็นของสูงแนละ้วคนไทยนี่ถือสะดุ้ดนะเรื่องหัวโคนนี่ถือมากอยู่ดีๆจะมาจับหัวกันไม่ได้นะถ้าจับหัวกันแล้เดี๋ยวก็มีเรื่องแต่ฝรั่งมันไม่ถือนะฝลั่งนี่ไม่ค่อยถือถ้าสังเกตดูเวลาเขาเล่นกีฬานี่เขาชนะหรืออะไรกันนี่เขาจะต้องมาตออหัวเลยเถี่ยคนไทยไม่ได้ถ้ามาตออหัวก็เดี๋ยวก็ได้เรื่อง เดี๋ยวก็ได้เรื่องฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องแปลกนะอคนไทยนี่อถืออถือหัวนะเรียกว่าหัวนี่หวงแหนมากแต่ว่าก้นไม่เป็นไรอ่าฝรั่งนั้นมันก็ถือก้อนนะถ้าตอกหัวไม่เป็นไรนะมันคนละแบบนะมันคนละแบบฉะนั้นคนที่ยึดอาชีพตัดผมนี่ถือว่ามีเกียรติมากไม่เลือกว่าจะเป็นใหญ่โตขนาดไหนนะต้องมีช่างกระบบ นะต้องจับผัวไม่จับผัวก็ตัดไม่ได้นวะ่าตัดไม่ได้ฉะนั้นถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติมากใครจะเป็นเจ้านายใหญ่โตไงช่างกระบบนี้จับได้หมดแล้วก็ไม่ไม่เป็นที่น่ารังเกียจอีกด้วยแต่คนคนอื่นแม้ว่าจะมียศเท่ากันนี้บางครั้งจับผัวก็มีเรื่องมีราวได้นะมีเรื่องมีราวได้ฉะนั้นนี่ก็เป็นปัญญาอสําหรับอชาวโลกอีกเหมือนกันหรือว่าคนเอ เรียนตัดเสื้อผ้าหรือว่าเปิดร้านาตัดเสื้อผ้านะจะเป็นผ้าของผู้หญิงผ้าของผู้ชายอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นปัญญาสาหรับชาวโลกนะเป็นปัญญาสาหรับชาวโลกเรียกว่าเป็นปัญญาอยู่ในในขั้นโลกียธรรมเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนก็ต้องใช้ปัญญาขั้นโลกียธรรมนะต้องมีศรัทธาต้องมีวิริยะต้องมีสติต้องมีสมาธิปัญญาทั้งนั้นนะ แต่จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลหรือยังว่าเป็นนักมวยนี่ก็ต้องต้องใช้ปัญญานักมวยชกไม่มีปัญญาก็ถือว่าโงา่สู้เขาไม่ได้มีแต่กําลังอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้มันสมองนะต้องใช้มันสมองมันก็แปลกท่านผู้ฟังทั้งหลายคนมีปัญญานี่พระพุทธองค์จัดไว้เลยว่า ไอ้คนมีปัญญานี่หาทรัพได้เลี้ยงตัวเองได้นะแต่คนคนไม่มีปัญญานี่แม้มีทรัพมากมายอยู่แล้วก็ไม่สามารถจะปกครองคุ้มครองให้อยู่ได้นี่เห็นไหมแต่คนมีปัญญาสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวจากไม่มีอะไรเลยให้เกิดความร่ำรวยได้นี่แต่คนไม่มีปัญญาแม้จะมี เงินทองทรัพย์สินล้นฟ้าดินก็ไม่สามารถจะรักษาทรัพย์สมบัติให้อยู่กับตนเองไปตลอดรอดฝั่งได้ท่านลองนึกดูบางคนนี่เขาทำไม้จิ้มฟันอย่างเดียวนะทาไม้จิ้มฟันอย่างเดียวนี่เขาตั้งเป็นบริษัทสท่งออกทั่วประเทศบางทีส่งออกไปต่างประเทศสามารถสร้างความน้ำรวยให้เป็นเศรษฐีร้อยล้านก็ได้นี่ บางคนก็ไปเอาเกลือมาต้องใส่สารส้มให้มันขาวแล้วก็มาบรรจุใส่กล่องเล็กๆบูมันขาวสวยก็เอาไปขายได้ทั้งๆที่มันเป็นเรื่องง่ายเหลือเกินทั้งๆที่เกลือนี่เราก็ไปซื้อกันมาเป็นถังเป็นกระสอบนะมันก็ใช้ได้เนี่ยแต่ทําให้เราทาั้งๆที่มีเกลือเป็นถังเป็นกระสอบต้องไปซื้อเกลือเป็นกล่องเป็นถุงมาอีกเพราะดูมันขาวมันสวยดีนี่ขอเรกคนมีปัญญา คนมีปัญญาอีกหลายหลาอย่างซึ่งบางครั้งเราก็นึกไม่ถึงซึ่งมันเป็นของง่ายเหลือเกินนะมันเป็นของง่ายมากเราจะเห็นว่าบางคนก็เอาลวดมาดัดๆทําเป็นดอกไม้ทําเป็นที่เสียบผมบ้างหรือเป็นที่เป็นเข็มกลัดบ้างเอามาขายห้าบาทสิบบาทาตั้งเป็นบริษัทตั้งเป็นโรงงานได้นะฉะนั้นอันนี้แหละเราจะเห็นว่า ปัญญาขั้นโลกิยธรรมนี่ก็ยังแตกต่างกันออกไปอีกนะยังแตกต่างกันออกไปอีกฉะนั้นคนที่มีปัญญาในระดับนี้ก็สามารถที่จะเลี้ยงเนื้อเลี้ยงตัวได้ดําเนินชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุขได้ตรงกันข้ามถ้าคนไม่มีปัญญาแม้แต่ในขั้นโลกิยธรรมก็ยังเอาตัวเองไม่รอดนะเอาตัวเองไม่รอดเรียกว่านอนหลับไม่รู้นอนคุ้ไม่เห็น มีแต่ความเกียดคร้านซ้ำร้ายก็ถือว่าเป็นพิษเป็นภัยต่อครอบครัวและสังคมประเทศชาติอันนี้ไม่ดีนะอันนี้ไม่ดีเราจะเห็นว่าหนังสือพิมพ์ลงว่านักศึกษาไปจี้ปล้นนักศึกษานี่เรียกว่าเรียนเป็นนักศึกษาแล้วก็ไปจี้ปล้นเอานักศึกษาอีกนะไปจี้ปล้นเขาเอาสร้อยเอาแหวนอะไรไปอย่างนี้อันนี้แหละถือว่า สร้างความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นกับวงศตระกูลของตนนะดูแล้วก็ไม่สวยงามไม่เหมาะไม่ควรฉะนั้นก็พูดได้อีกอย่างหนึ่งว่าอโลกิยธรรมนี้ถ้าจําแนกธรรมก็เป็นทั้งกุศลก็มีเป็นทั้งอกุศลก็มีนะปัญญาในขั้นโลกิยธรรมเนียเป็นทั้งกุศแลแธรรมและอกุศแลแธรรมกุศลธรรมก็คือว่าธรรมที่เป็นกุศลธรนะรมที่เป็นกุศลก็อะไร คุณงามความดีต่างๆนคุณงามความดีต่างๆก็ยังที่ว่านั่นแหละใครมีศรัทธาก็ถือว่าเป็นกุศลธรรมนใครมีวิริยะความเพียรก็มีกุศลธรรมอใครมีสติก็มีกุศลธรรมใครมีสมาธิก็มีกุศลธรรมใครมีปัญญาก็มีกุศลธรรมอใครมีความกตัญญูก็มีกุศลธรรมใครมีสัจจะความจริงใจก็มีกุศลกุศลธรรมอันนี้มันเป็นกุศลธรรมทางนั้นตรงกันข้าม โลกิยะธรรมในส่วนที่เป็นอกุศลนะในส่วนอกุศลก็คือในความชั่วอกุศลธรรมก็คือธรรมที่เป็นในฝ่ายไม่ดีไม่ฉลาดคือการกระทําที่ไม่ฉลาดกระทาไปแล้วก็เดือดร้อนแก่ตัวเองอสังคมประเทศชาตินะก็คือเช่นว่าเป็นประเภทจี้ปล้นฆ่านะหรือประพฤติปฏิบัติผิดศีลผิดธรรมอันนี้แหละเป็นไปในฝ่ายอกุศลนะเป็นในฝ่ายอกุศลฉะนั้น ขอให้ท่านทั้งหลายจงนึกไว้เสมอว่าโลกียธรรมนั้นเป็นทั้งกุศลธรรมและอกุศลธรรมและมีลักษณะเกิดขึ้นในเบื้องต้นประวนแปรในท่ามกลางแตกสลายในที่สุดมาในข้อที่สองโลกุตรธรรมทมอันพ้นวิสัยของโลกข้อนี้หมายเอาธรรมชั้นสูงพ้นขีดขั้นของโลก ที่พระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นจะพึงปฏิบัติได้และรู้ได้ในที่นี้ท่านประสงค์เอาทรรก้าประการคือมรสีผลสีนิพพานหนึ่งนะมรสีผลสีนิพพานหนึ่งอันนี้และหมายถึงว่าเป็นโลกุตระธรรมนะเป็นโลกุตรธรรมหรืออาจจะเรียกอย่างหนึ่งว่าณนะวะโลกุตระธรรม เอชื่อว่าเป็นธรรมอันประเสริฐสามารถกำจัดกิเลสได้เป็นสมุทเฉทพประหารและถึงที่สุดจัดเป็นอกุ ป, ปรธรรมคือเป็นธรรมที่ไม่กำเริบไม่มีการหวั่นไหวเป็นลักษณะนม่โลกุตระธรรมคำว่าโลกุตระก็ทำก็คือเป็นธรรมเหนือโลกเนี่เป็นธรรมสูงเอสูงสูงกว่าระดับชาวโลกพลวิสัยของชาวโลก ไอ้ที่เราคิดกันว่าคิดคิดดีอย่างนี้แต่พอถึงขั้นโลกุตรธรรมนั้นไม่มีอย่างนี้เลยนะไม่มีอย่างนี้เพราะโลกุตระธรรมนั้นอมุ่งหมายเอาเป็นธรรมชั้นสูงนะเป็นธรรมชั้นสูงนะไม่ใช่ตำต่ำนะมันเหมือนกับว่าที่เขาส่งเครื่องจรวดหรือก็สวยอวกาศขึ้นไปนอกโลกนะถ้าโลกุตะธรรมนั้นก็ยังอยู่ในโลก ถ้าโลกวัตรธรรมแล้วก็พวกนี้ไปเหนือโลกแล้วพ้นโลกแล้วนะเป็นลอยสบายนะพ้นแรงดึงดูดแล้วไอ้คนที่ยังอยู่ในตกในแรงดึงดูดของโลกก็คือว่าคนที่ยังตกอยู่ในอนัตยังมีเงื่อนไขนะดาเนินชีวิตอย่างมีเงื่อนไขตราบใดที่เรายังดําเนินชีวิตอย่างมีเงื่อนไขมันก็ไร้สายละนะมันก็ยังมีข้อผูกพันยังมีข้อเอ ยึดเหนี่ยวก็จะเกิดแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดความโลภความโกรธความหลงความชอบความชังแต่ถ้าเราไม่มีเงื่อนไขก็เรียกว่าเราเป็นชีวิตอิสระก็คือเหนือโลกผนโลกอันนี้เราจะมีแต่ความสุขเราจะมีแต่ความเจริญนะเราจะมีแต่ความเจริญฉะนั้นธรรมะที่เหนือโลกในที่นี้ยกไม้สั้นก็คือว่ามรสีผลสีนิพพานหนึ่งมรสีก็ตั้งแก่โซดา อปฏิมักโ ซ, โซโซดาปฏิมักสกัดทาคามีมักอนาคามีมักอรหัตตมมักผลสี่ก็ได้แก่โซดาปฏิผลสกัดทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตตผลนิพานก็หมายถึงว่าการดับกิเลสเตัณหาโดยสิ้นเชิงนะหรือว่านิพานก็คือหาสภาพธรรมที่หาเครื่องเสียดแทงไม่ได้นะไม่ได้อันนี้ก็หมายถึงว่า ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายนะไม่เกิดแก่เจ็ตตาอีกแล้วนิพพานอ่าอันนี้แล้วก็เราจะไปรู้รายละเอียดเอาในในหงวดของนิพพานอ่าอันนี้ก็รู้ไปเพียงเป็นแนวทางว่าโลกุตรธรรมนั้นหมายเอามรสีผลสีนิพพานหนึ่งเรียกว่านวาโลกุตระธรรมเป็นธรรมอันประเสริฐสามารถกําจัดกิเลสได้อย่างเด็ดขาดเรียกว่า กำจัดสังโยชน์นะกำจัดสังโยชน์นะพูดง่ายๆคือสังโยชติตั้งแต่สกกายาทิฏฐิความยึดมั่นในตัวตนอว่าเป็นเราเป็นเขาอตัวเราตัวเขาอะไรอย่างนี้วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยตัดสินใจไม่ได้ทิแล้วก็ตามราม่าตุลคกทมสินเพรก็คือยังติดเรื่องอคนอื่นอยู่ยังเชื่อเลิกเรื่องเลิกเรื่องดวงดาวอยู่นะเรื่องพรงงนะภูมิเจ้าที่อะไรอย่างนั้ทำรองนี้ แล้วก็พวกกามราคะปติฆะนะกามราคะปติฆะแล้วก็รูปราคะอรูรปราคะมานะอุทัจจะอวิชชานี่แหละทั้งหมดนี้เรียกว่ า, าสังโยชน์สินะสังโยชน์สิฉะนั้นเมื่อเราค้นจากนี้ได้แน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความสุข เราก็จะมีแก่ความเจริญเมื่อเรามีความสุขความเจริญถึงขั้นนิพพานแล้วเราก็ไม่เกิดไม่แก่เราก็ไม่ตายนะอันนี้สบายมากนะสบายมากเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนานะคือในทางพระพุทธศาสนาี น, ะ น, าา น, านมีสังขารเป็นต้นสายแล้วก็มีนิพพานเป็นปลายสายนะเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ ก็จะได้ชื่อว่าเข้าใจธรรมะเกี่ยวกับโลกิยธรรมและโลกุตรธรรมนี่ก็พูดพอเป็นแนวทางนะพอพูดเป็นแนวทางทีนี้จะพูดถึงธรรมอีกหมวดหนึ่งนะธรรมสองอีกหมวดหนึ่งวันนี้ก็พูดให้อยู่ในหมวดคู่กันเลยฉะนั้นธรรมเนี่ยมันมีอยู่สามบทนะบทแรกก็ได้แก่ธรรมสองบทแรกก็คือรูปธรรมอรูปธรรมนะรูปธรรมสภาวะที่เป็นรูป อรูปธรรมสภาวะไม่ใช่รูปอ่ธรรมหมวดที่สองก็คือโลกิยธรรมธรรมอันเป็นวิสัยของโลกโลกุตระธรรมธรรมอันพ้นวิสัยของโลกมาในหมวดที่สามธรรมสองธรรมสองก็ได้แก่สังคตะธรรมธรรมอันปัจจัยปรุงแต่งอะสังคตะธรรมธรรมอันปัจจัยไม่ได้ปรุงแต่งนธรรมอันปัจจัยไม่ได้ปรุงแต่งทีนี้ในคำว่าธรรมก็ หมายถึงการทำดังที่ได้กล่าวมาแล้วคือหมายถึงว่าสภาพที่ทรงสัตว์ไว้ไม่ตกไปในที่ชั่วก็คือว่าย่อมนําสัตว์ให้ถึงสุคตินะให้ถึงสุคติคือหมายถึงว่าย่อมจะประครับประคองไว้ทานาสัตว์ไว้ให้อยู่ในคุณงามความดีมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญฉะนั้นในธรรมสองบทนี้ก็ได้แก่สังคฆะธรรมธรรมอันปัจจัยปรุงแต่ง ทำอันปัจจัยปรุงแต่งหมายเอาสังขารอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นทั้งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณตกอยู่ในคติของธรรมดาสังคตะธรรมส่วนที่มีวิญญาณเช่นคนสัตว์เหล่านี้เป็นต้นอาบุพกรรมตกแต่งให้ดีบ้างชั่วบ้างต่างๆกัน ต, ต, ต, ต, ตามสภาพของธรรมดาปรุงแต่งขึ้นและมี และสิ่งที่มีและสิ่งที่ไม่มีวิญญาณเช่นรถเรือตึกรามบ้านช่องเป็นตน้นก็อาศัยบุคคลปรุงแต่งขึ้นจากทัพพสัมภาระนั้นๆฉะนั้นสังคตะธรรมก็หมายเอาเหตุเกิดก่อนแล้วผลจึงเกิดขึ้นเมื่อเหตุดับผลก็ดับตามไปรวมความว่าได้แก่กุศลจนรวมลงที่อริยสัจสี่นะจนรวมลงที่อริยสัจสี่ ทีนี้ถ้าจะถามว่าสังคตะธรรมนี่มีธรรมอะไรเป็นยอดเยี่ยมอันนี้เราก็ตอบได้เลยว่าสังคตะธรรมนั้นก็คือมีมัชมีองแปดคืออัตถังทีกมัชเป็นยอดเยี่ยมนะเป็นยอดเยี่ยมมัชสีผลสีเป็นสังคตะธรรมนิพพานเป็นอสังคตะธรรมนี่อันนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาจำไว้ให้ดีว่ามัชสีผลสีนั้นเป็นสังคตะธรรม นิพพานเป็นอสังคตธรรมสังคตธรรมนั้นมีมัสมีองแปดเป็นยอดเยี่ยมเป็นยอดเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งอสังคตธรรมหมายเอาสภาพที่เกิดแต่เหตุทั้งปวงคือเกิดขึ้นก็เพราะเหตุดับไปก็เพราะเหตุนดับไปก็เพราะเหตุนี่มาในข้อที่สองก็คืออสังคตธรรมอสังคตธรรมเป็นธรรมอันปัจจัยไม่ได้ปรุง ไม่ได้ปรุงแต่ง <k rechts> <f> uh> ข้อนี้หมายเอาทำอันประเสริฐสุดกว่าทำทั้งหลายทั้งที่เป็นสังฆตะอันปัจจัยปรุงแต่งทั้งที่เป็นสังฆตะอันปัจจัยปรุงแต่งทั้งที่เป็นอสังฆตะอันปจัจจัยไม่ได้ปรุงแต่งก็คือวิราคะนะก็คือวิราคะความสิ้นความสิ้นแห่งความกำหนัดความสิ้นกำหนัดซึ่งเป็นไวโพ์แห่งนิพพานที่จะดับกิเลส และกองทุกข์ทั้งปวงไม่ให้เกิดแก่เจ็บตายต่อไปเป็นยอดแห่งความสุขฉะนั้นในธรรมสองประการนี้จึงต้องอาศัยซึ่งกันและกันคือความว่าผู้รู้เหตุอย่างต่ำตั้งแต่กัลยาณธรรมมีศีลเป็นต้นอันอันตรุงผู้ประกอบให้ได้บรรลุผลเป็นสุขแล้วก็บำเพ็ญ ทำสูงขึ้นไปจนเห็นแจ้งรู้แจ้งเห็นจริงในในอริยสัจสี่ถือว่าเป็นธรรมอย่างสูงก็สามารถที่จะบรร ล, ลุคุณธรรมความดีเป็นชั้นๆตลอดจนมรรคสีผลสีและนิพพานอันเป็นตัวอสังคตะธรรมที่เป็นเช่นนี้โดยเหตุอาศัยสังคตะธรรมปรุงให้บรร ล, ลุเป็นขั้นๆมาจนถึงพระนิพพานเบื้อยผลอันเกิดแต่เหตุคือสังคตะธรรม แล้วได้เสวยผลคืออสังคตธรรมฉะนั้นถ้าจะมีปัญหาถามว่าสังคตธรรมนะว่าสังคตธรรมกับอสังคตธรรมหมายถึงสภาพเช่นไรอันนี้เราก็บอกได้เลยว่าสังคตธรรมก็หมายเอาสภาพคือสังขารที่มีที่มีปัจจัยปรุงแต่งนะมีปัจจัยปรุงแต่งเกิดนะนะ ทั้งสิ่งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณเป็นพวกคนสัตว์ไม่มีวิญญาณตึกรามบ้านช่องนะโตะเก้าอี้นี่เป็นต้นส่วนอาศังกระตะรมก็คือหมายเอาสภาพธรรมอันประเสริฐกว่าทมทั้งหลายนะได้แก่พระนิพพานซึ่งดับจิตเจตสิกทั้งหมดนะดับกิเลสตัณหาไม่อาจเกิดขึ้นตัดความทุกเสียทุกสิ่งทุกอย่างนะปราศจากการปรุงแต่งให้เป็นไปต่าง ฉะนั้นพระนิพพานท่านจึงจัดเป็นอสังคตธรรมจึงจัดเป็นอสังคตธรรมทีนี้ถ้าจะถามว่าอาริยมรรคและวีราคธรรมทั้งสองอย่างนี้เรียกสังคตธรรมหรืออสังคตธรรมและวีราคธรรมในที่นี้ท่านหมายเอาธรรมอย่างไหนไมีเท่าไหร่อันนี้เราตอบได้เลยว่าอาริยมรรคเรียกว่าสังคตธรรมวีราคธรรมเรียกอสังคตธรรม และวิราคธรรมในที่นี้ท่านหมายเอาธรรมซึ่งเป็นเครื่องสำรอกกิเลสคือพระนิพพานนะคือพระนิพพานนี่หรือถ้าหากว่าเราจะถามอีกอย่างหนึ่งว่าในเบื้องต้นเบื้องปลายและท่ามกลางของสังฆะธรรมมีลักษณะอย่างไรกําหนดรู้ลักษณะของสังฆะธรรมอย่างนั้นเรียกว่ายานอะไรในวิปัสสนาญาณเก้าอันนี้เราก็ตอบได้เลยว่า มีลักษณะคือในเบื้องต้นมีการเกิดขึ้นปรากฏในเบื้องปลายมีความดับปรากฏในท่ามกลางเมื่อยังตั้งอยู่ความแปรปรวนก็ปรากฏนะการกําหนดรู้ลักษณะของสังคาธรรมเรียกว่าอุทยพยานหรือว่าอุทยพยานุปัสนาญาณนะในวิปัสนาญาณเก้าคือเห็นความเกิดดับของรูปนามนะของรูปนาม และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสังคตะธรรมเนี่ยเป็นธรรมชาติล้วนตกอยู่ในสังขลักตณะหนัคือมีเหตุเกิดในเบื้องต้นปวนแตในท่ามกลางแต่สลายไปในที่สุดอย่างนี้แหละจัดว่าเป็นอสังคต ธ, ธรรมนะเป็นสังคต ธ, ธรรมฉะนั้นขอให้นักเรียนนักศึกษาจงฟังให้ดีให้เข้าใจเพราะว่าได้รวมเอาหมวดธรรมนั้นมารวมไว้ อคู่กันนะเพื่อให้เราได้ฟังติดต่อกันไปนะตั้งแต่อธรรมสองคือรูปธรรมอรูปธรรมแล้วก็โลกิยธรรมกับโลกุตรธรรมอ่าส่วนโลกิยธรรมกับโลภุตรธรรมนั้นก็มีสิ่งที่น่าจะรู้เป็นปัญหาอีกนิดหน่อยว่าเช่นบอกว่าปรับอประเภทแห่งโลภุตรธรรม นะก็พอเข้าใจได้เพราะมีแจ้งอยู่ในแบบส่วนโลกีธรรมมีเท่าไหร่อันนี้เราก็ตอบได้เลยว่าประเภทแห่งโลกีธรรมนั้นนับไม่ถ้วนแต่เมื่อจัดตามพบมีอยู่สามประเภทคือหนึ่งกามมพได้แก่กามมาพระจรกุศลรูปประพบได้แก่รูปฌานสีอารูปประพบได้แก่อารูปฌานสีธรรมเหล่านี้ย่อมเป็นวิสัยแห่งพบ คือโลกนั้นๆหรือถ้าจะมีคำถามว่าโลกิยธรรมกับโลกุตระธรรมต่างกันอย่างไรขอให้จัดสงเคราะห์เข้าในธรรมทั้งสองนี้เข้าในสังฆะธรรมและสังฆะธรรมอันนี้เราก็ตอบได้ทันทีเลยว่าต่างกันอย่างนี้นะมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งรวมเป็นเก้าหรือเป็นโลกุตระธรรมเก้าที่เหลือจากนี้เป็นโลกิยธรรม ว่าที่เหลือจากมรรคสีผลตีนิพพานหนึ่งแล้วก็เป็นโลกิยธรรมโลกิยธรรมทั้งสิน้นอคือทั้งสิน้นนะมรรคสีผลตีจัดเป็นสังคตาธรรมถ้านิพพานอย่างเดียวเท่านั้นจัดเป็นอสังคตาธรรมนะทีถ่าถามอีกอย่างหนึ่งว่าโลกิยธรรมและโลภุตาธรรมทั้งสองนี้เกี่ยวเนื่องถึงกันอย่างไร อันนี้นะักเรียนศึกษาก็ตอบได้เลยว่าทาทั้งสองอย่างนี้เกี่ยวเนื่องถึงกันโดยแท้โลกียธรรมนั้นเป็นธรรมชั้นต่ำเป็นธรรมที่สามัญชนอาจอยังเห็นได้และท่านหมายเอากัลยา น, นัชนเอาหมายเอากัลยานธรรมชั้นต่ำตำ่ที่เป็นเครื่องรักษามารยาททางกายทางวาจาให้เรียบร้อยรักษาใจให้อยู่ในอำนาจควรแก่การงานในคราวที่ต้องการทา อาชั้นนั้นชั้นนี้หรือว่าให้ดําเนินไปสู่โลกุตรธรรมแม้ว่าอย่างสูงก็เพียงอริยสัจสีก็ถือว่าประเสริฐสุดแล้วโลกิยธรรมนี้ชื่อว่าเป็นธรรมยังไม่ประเสริฐพอเพราะยังไม่สามารถจะกําจัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉทพระหารได้หรือไม่สามารถจะตัดกิเลสได้โดยเด็ดขาดได้แต่ถึงกระนั้นก็ยังนับว่าเป็นบันไดเพื่อให้ก้าวไปสู่โลกุตรธรรมโดยลําดับ เมื่อได้โลกียธรรมแล้วผู้หวังอริยมรรคหรืออริยภูมิก็ปฏิบัติดำเนินต่อไปก็อาจสามารถที่จะบรรลุถึงโลกุตระภูมิได้ฉะนั้นทำเบื้องต่ําจึงเป็นบันไดก้าวขึ้นสู่เบื้องสูงด้วยประการนี้ฉะนั้นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องทำสองโลคียธรรมและโลกุตระธรรมและอีกบทหนึ่งทำสองเกี่ยวกับเรื่องสังฆะธรรมและอสังฆะธรรมก็พอสมควรกับเวลา ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาุชนผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร